พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ดลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าบวชเพื่อพ้นทุกข์วันนี้เป็นวันที่สอง กรกดาคมพุทธศักราช2555ในเมื่อฉันยังหันเสร็จแล้วหลวงพ่อจะได้มีทรลาลงไปกรุงเทพข่าวนี้ไปคงไปหลายวันพอสมควรมีภารกิจหลวงพ่อไม่อยู่วัดอันดับแรกก็คือพระนึ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษาที่เดรับการอบรมจากหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนไว้ดีแล้ว มีอะไรหลวงพ่อก็บอกให้รู้จักแล้วอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นควรไม่ควรอันนั้นวิทยในอันนั้นความพร้อมเพียงสมัคคีอันนั้นเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทหลวงพ่อก็ได้บอกไปหมดพวกท่า น, น, นทั้งหลายมาอยู่ด้วยหลายปีแล้วก็บางองค์ก็เคยบวชที่นี่ด้วยบางองค์ก็มาจากถิ่นอื่นถึงจะเป็นถิ่นอื่นก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า เป็นน้องเป็นนุ่มเป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่ออย่างเก่าถึงยังไงก็มาอยู่ในศาสนามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนามาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์มาอยู่ด้วยกันต่างทิ้นต่างฐานต่างบ้านต่างเรือนต่างการศึกษาต่างการเป็นอยู่ต่างวิชาอาชีพต่างสถานะสรุปแล้วก็คือต่างสถานะ มาอยู่ด้วยกันต้องให้ต้องดูกันอย่าให้มีเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องที่เราประสงค์นั่นคืออะไรจุดใหญ่ที่เราประสงค์นั่นคืออะไรจุดใหญ่ที่เราประสงค์ก็คือต้องการพนทุกมาบําเพ็ญภาวนาหาทางพนทุกตามแนวแถวที่พระพทุทธเจ้าตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าน แนะนำท่านบอกกล่าวเราก็เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาเชื่อในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บอกจากนั้นเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ถึงยังไงถึงเราจะไม่เดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางตามที่พระธรรมคำสอนตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวอันดับแรกเราก็พอได้สัมผัส ได้สัมผัสคล้ายๆว่าเดินมาแล้วความสงบทางด้านจิตใจนั้นเป็นอย่างไรแนวความคิดทางด้านจิตใจไปในทางที่ทําให้จิตใจสงบนั้นมีความสุขอย่างไรอย่างน้อยพวกเราก็จะได้สัมผัสในเมื่อสัมผัสเราก็มีความมั่นใจว่าต่อไปภายภาคหน้าต้องเห็นผลอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวแน่นอน นี่แหละอันนี้คือจุดหมายและจุดประสงค์ของเราที่เขามาปวดเขามาอยู่ในปาน่าดงพงไพ่ยอย่างนี้เราไม่ได้มาเพื่อชิวเพื่อกินมาเลี้ยเดี่ยวเล่นๆแล้วลเดิรนๆลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ผ่านการผ่านวัยผ่านโลกมาแล้วเราก็พอจะมองเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเราผ่านมาผ่านโลกมานะีมันสุขทุกข์อย่างไรอันนี้เราก็น่าจะเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราผู้ที่ สูงอายุอจากนั้นเมื่อเราผ่านไปแล้วเราจะหันกลับไปอีกเหรืออันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทบทวนอีกเหมือนกันอเรากลับลงไปอีกก็เหมือนกับสิ่งที่เราไม่ดีเห็นว่าเราไม่ดีเราจะออกมาดีนั่นคืออะไรไม่ดีนั่นคืออะไรเราก็ควรควรจะแยกแยะออกได้แล้วอไม่ดีนั่นคืออะไรดีนั่นคืออะไร แต่จะให้ดีทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ทางโลกดีทางกายดีทางกายการเป็นอยู่ทางกายการอยูการกินอิสระแต่ทางใจนั้นมีแต่กิเลสมารุมมาตุ้มที่จะให้กําลังทางใจนั้นเป็นไปได้ยากเราอยู่ทางโลกแต่ร่างกายนั้นเราจะปนปื อ, อยังไงเราก็ปนปนปืนมันได้เพราะว่าเรา อยู่ทางโลกอิสระในการปลเปื้อร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นเรามาเป็นพระอย่างนี้เราจะได้ฝึกหัดดัดทสิสัยดูใจของตนเองนสรุปแล้วก็คือการมาบวชมาดูใจของตนเองมาฝึกหัดใจของตนเองมาดูแลใจของตนเองมาสังสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจของตนเอง สรุปแล้วมาบวช แ, แต่ทางโลกนะเราสสแสวงหาเพื่อดูแลร่างกายให้ร่างกายมีความู่เย็นเป็นศุขแต่ใ น, นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจันวาถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายของเราไม่มีวันที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปภายภาคหน้ามีแต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆหน้าครัวที่สุดก็คือความแก่เนีมันแก่ ความแก่ตัวนี้น่ากลัวเลี้ยงขนาดไหนก็ยังจะให้หนุ่มไปมันก็แก่ไปเรื่อยมีแต่ชะลอชะลอชะลอไปอย่างนั้นอ่ะเ อ, อเหมือนเกิดรถมันจะวิ่งลงทางชันๆอย่างนั้นอ่ะ อ, อทางตลิง่งรถมันก็ต้องเบรกจีเลยเบรกเบรกเหมือนกัะ น, น้ํามันไหลจะลงภูเขาเราก็เขาก็ทําเป็นที่พักน้ําเป็นระยะๆเพื่อไ ม, ม่ให้มันมันไหลแรงเกินไป นี้ก็เหมือนกันร่างกายของรอนพอถึงอายุสามสิบขึ้นไปแล้วกป็ชะลออลไรอย่างหลวงพ่ออายุขนาดเนี่เริ่มไหลแรงความแก่ไหลแรงรู้ถ้าสังเกตหรืรู้แก่ใจวัะนั้นทางโรคถ้าเราไม่ได้คิดถึงทางธรรมเลยแต่มีแต่เลี้ยงร่างกายเท่า น, นั้นแ่ะถึงจะเลี้ยงให้ มนี้ผีมันขนาดไหนอ้นวนขุนสมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนร่างกายนะจ๊ะ ย, ยังไม่ไวที่จะแก่อและแก่แล้ะจยเจ็บไข้ได้ป่วยะจากนั้นก็ถึงจุดจบร่างกายมีเพียงแค่นั้นแต่เมื่อเราเข้ามาบวชเรามองเห็นแล้วว่าเออโลกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่นั้นเราควรจะหาธรรมเข้าสู่จิตใจ ธรรมะสิลสมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อท่านไปค้นคว้าศึกษาแล้วประกาศเป็นพระธรรมออกมาประกาศเป็นพระธรรมคําสอนออกมาเราได้ศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นไปได้ที่เราได้ศึกษาแล้วจากนั้นเราก็ศรัทธาศรัทธาคือตั้งความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นเราก็ได้นําพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสําหรับเราเป็นฆราวาสพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนดีนิสัยดีกิริยามารยาทดีนิสัยอบอ้อม อ, อารีนิสัยมีเมตตาจากนั้นก็ให้มีทานจากนั้นก็ให้มีศีลจากนั้นก็ให้ภาวนาบ้างอันนี้ก็คือสําหรับฆราว า, าดดสญาติโยมสําหรับพระสงฆ์เมื่อเราเป็นฆราวาส นัวเราเข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกของพระพุทธเจ้าคือตั้งใจรักษาศินศินสองรี่สิบให้เข้มงวดกวดขันศินสมาธิปัญญาอันนี้คือหน้าที่ของพระนะแต่สําหรับจัตาทยโ ย, ายมคือทานศินภาวนาแต่สําหรับพระเนี่ยสิลสมาธิปัญญาเริ่มเริ่มเรื่องศินเนี่ยคือกฎระเบียบเลยเราจะอยู่ยังไงถ้าเมื่อศินดี กฎระเบียบดีสินดีเราอยู่ในกฎระเบียบดีสมาธิของเราก็ดีไปด้วยพอเราไมได้ทำความชั่วช้าเสียหายคิดออกไปเวลาใดใจของเราก็มีแต่ความเชื่อมั่นในสินของตอนเองสินของเราคุ้มครองอยู่ตลอดเมื่อคิดถึงสินสินบริสุทธิ์แล้วสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายในเมื่อจิตใจเป็นสมาธิดี นำจิตที่จิตใจที่เป็นสมาธินำมา ก, กัรรองไตรรองด้วยปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเห็นชัดเจนในความรู้สึกนั้ น, น, นจากนั้นก็ถอดถอนกิเลสในตัวไหนที่มันมีอยู่ในใจอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงราคะโทสะโมหะมันอยู่ตัวไหนอยู่ในใจของเราเราจะรู้จะเห็นได้เพราะเราจิตใจของเราเนิ่งจิตใจของเราเนิ่งจิตใจของเราสงบ จิตใจของเราเป็นหนึ่งหรือเมื่อจิตใจของเราเป็นหนึ่งแนละ้วเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญามองเป็นปัญญาได้แตจิต ท, ที่มันผ่านความสงบแล้วกันกรองไตรตรองเหตุผลก็เป็นเหตุเป็นผลที่แท้จริงนี่แหละอันนี้คือหน้าที่ของพระหน้าที่ของจัทไายาตจมในระดับหนึ่งแต่จัทไายาโจมมีโอกาสไหมที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าคณะศรัทธาญาติโยมเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีมากฟังเทศแต่ละครั้งพระพุทธเจ้าเทศนาจบลงแล้วศรัทธาญาติโยมได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันมากคือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่คลอนแคลนอพระพุทธเจ้า สั่งสอนอย่างไรก็ระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระสงค์เป็นยังไงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปบุญมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงแต่ทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในพระโสดาบันท่านเชื่ออย่างนี้ในจิตในใจเชื่ออย่างร้อยเปเซใครจะเอาอะไรมาบอกมากล่าวมาอะไรไม่หวั่นไหวทั้งนั้นพระโสดาบันจิตใจท่านได้ป ใจเชื่อล้พบพิจารณาด้วยปัญญาเชื่ออย่างนี้จากน่าจะมีศินห้าสินห้าโดยอัตโนมัติไม่ใช่สินห้าแบบวันหนึ่งคิดได้วันหนึ่งไม่มีอย่างนั้นนะสินห้าของพระโสดาบันมีศินห้าตลอดจากนั้นก็กายกรรมวจีกรรมโนกรรมกรรมบทิศก็อยู่ในใจของพระโสดาบันนีอันนี้ก็คือเป็นผููเป็นผูดเที่ยงตรงพระโสดาบัน เป็นผู้เที่ยงตรงไม่หวั่นไหวไม่ถือมงคลตืมนข่าวไม่เชื่อว่าฤกนั้นดียามนั้นดีดวงดาวดวงเดือนอพระเล่าหูพระลักษณะอะไรอย่างนี้นไม่เชื่อเพราะเหตุใดเชื่อกรรมคือการกระทําทําดีจะต้องได้ดีทําชั่วจะต้องได้ชั่วถ้าทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรนี่พระโสดาบันจะเชื่อในกรรมและผลของกรรมทุกอย่าง ไม่มีอะไรหวั่นไหวอันนี้นคือศรัทธาญาติโยมที่ฟังในครั้งพุทธการได้สําเร็จพระสดาบันพระสวดาบันเป็นบันไดขั้นขั้นแรกพร้อมที่จะไต่ขึ้นไปสู่พระสัคขาคามีอนาคามีเป็นพระหันได้ผลที่สุดแต่ที่ศรัทธาญาติโยมเป็นพระหันเลยมีไหมมีมีอยู่แต่น้อยนะไอ้พระไตรพิโดท่านอาจจะพอออกมาน้อยก็ได้ถ้าจะออกมาทุก ผู้ทุกคนพระไตรปิฎกโคงจะเล่มใหญ่และก็ความจําของครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรจะจะจําทุกคนอายุของท่านก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะได้พระไตรปิฎกขนาดนี้ก็นับว่าดีแล้วที่ท่านบันทึกไว้เนี่ยอันนี้ก็คือในสัทธาญาติโยมได้ทั้งนั้นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาคพระระหรัน์ แต่สําหรับพระสงฆ์นั้นผู้เข้ามาอยู่ภายในโดยมากพระโสดาบันทั้ก็มี้เนี่ังธรรมเทศนาของพระเจ้าจบแล้วก็ได้สําเร็จพระโสดาบันจากนั้นก็ขึ้นไปพระสัคทาคานาคารหารันพระสงฆ์ก็มีมีมากแต่พระสงฆ์ที่ทําความช่วยช้าเสียหายมีไหมมีตกนรกตกนรกหกไหมมีอย่างหลวงปู่เขาเนี่ ท่านะระลึกชาติได้ท่านบอกว่าในสมัยก่อนท่านเป็นลูกศิษย์พระโกกาลิกะสมัยในครั้งพุทธกาลนะท่านว่าโอต้ตงไปตกนรกพอสมควรนะแต่ก็ไม่ใช่ขั้นหัวหน้าแต่เป็นลูกศิษย์ความเชื่อถือเพราะเชื่อถือในในอาจารย์เป็นลูกศิษย์พระโกากาลิกะนี่แหละถ้าพบคนชั่วเกาไปทางชั่วได้อีกเหมือนกันแตถ้าว่าพบคนดีครูบาอาจารย์ดีแนะนำไปในทางที่ดี เราก็ไตรตรองกันกลองไตรตรองเหตุและผลที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนั้นก็ไปดีอยา่างเพราะนั้นเราต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์เลยฟังเป็นผู้เปิดเปิดใจกว้างแล้วก็ฟังเพื่อการศึกษาในเมื่อเราศึกษาดีแล้วเราก็ปักใจอยครูบาอาจารย์อย่างองค์ลูตาของเราเนี่ยท่านเป็นธรรมจริงๆท่านพูดเป็นแนวเป็นไปได้จริงๆ ในหลักทําคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านนํามาประยุกต์ใช้กับพวกเราได้ดีแต่เราจะไปค้นคว้าในพระไตรพิตร ก, ก็ค้นคว้ายากเพราะมันเพราะมันกว้างขวางไม่รู้จะจับประเด็นไหนแต่ครูบาอาจารย์ของเรานึ่ท่านได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วท่านได้ปฏิบัติ ด, ดูแล้วท่านก็นําสิ่งที่ท่านผ่านแล้วเนี่นํามาประยุกต์แล้วก็มาให้พวกเราประพฤติปฏิบัติ อย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านบอกภาวนาให้บริกรรมพุทธโทนะ่าอย่างนี้เป็นตน้นพวกเราปฏิบัติดูเออใช่อย่างนี้จะพุทธโทออไปเดินก็พุทธเทก้าขาขวาขาซ้ายพุทโทพุทโธอยู่ตลอดหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทวางคับให้อยู่กับตัวเองนี่แหละหลงพ่อว่าขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่อยากจะให้หมู่พกเพื่อนทุกองเล่นความภาคความเพียร ในเวลาสมาธิทำกิจวัตรข้อวัดลงเอ่ยกันแล้วจากนั้นก็ต่างคนต่างไ ป, ต, ง ต, ง ป, ปต่ตางคนก็ต่างประพฤติปฏิบัติต่างคนก็ต่างอยู่ในความสงบี่อย่าไปมั่วสมกันอย่าไปคุยกันอย่าไปต้มน้ําร้อนเลี้ยงกัน น, น, น้ําชงน้ําจาโกโก้โกาแฟอะไรไม่ควรจะให้เป็นเรื่องใหญ่ฉันมื้อเดียวแล้วก็จบน่าจะอยู่ต่างองค์ต่างอยู่โดยเฉพาะอย่างทีง่เราเป็นห่วงพระเก่าเนะี่ย พระเก่าน้าจะทําให้พระใหม่เสียนะเเออพระใหม่เสียเพราะเหตุอะไรทั้งที่สอนแล้วบอกแล้วเยเวลาเห็นเราก็ทําท่ากุลีกุจอทาท่าหลบกลัวฮเอแต่ไปกลัวทําไมกิเลสภายในใจของตัวเองเอทําไมเคุนทําได้อย่างนั้นเพราะเราได้รับการอบรมได้รับการแนะนําบอกกล่าวแล้วไม่ต้องกลัวครูบายอาจารย์ถ้าเราเป็นธรรมเป็นวินัยแล้ว อันนี้เราทําอย่างนั้นไปนว่ามีที่แก้งมีที่รับตรปบทซ่อนซ่อนใช่ไม่ได้ะถ้าเป็นลักษณะ น, นั้นใช้ไม่ได้ะถึงจะมาอยู่กับล้มพ่อนานเท่าไหร่ล้มพ่อไม่ไว้ใจอีกเหมือนกันดู่ไปอยู่ไปอย่างนั้นถ้าตรงไปตรงมานั่นล้งพ่อจะไว้เนื้อเชื่อใจพออยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่จิตใจนิ่วจิตใจเยือกเย็นจิตใจมั่นในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอะไรนั่นอยู่อย่างมั่นใจ อยู่ด้วยความผาสุขถ้าอยู่แบบระปภตลิกปิตกกังวลอยู่เรื่อยอันนั้นไม่ได้นะหาความสุขไม่ได้นะลูกพลันทุกองนะตลอดถึงญาติโยมทุกคนนะหลวงพ่อไม่อยู่ก็ช่วยช่วยดูแลวัดเนาะหลวงพ่อไม่อยู่ไม่ดูแลวัดไม่ได้นะวัดล้างนะถ้าว่าหลวงพ่ออยู่ก็ช่วยช่วยกันหลวงพ่อไม่อยู่ก็ช่วยช่วยกันดูแล ขาดเหลือขาดตกอะไรผ้าเนนเก็บให้ได้ช่วยยังไงไปช่วยกันดูดูและนะไงนะที่หลวงพ่อไม่อยู่ต้องพ่อออกไปทุนละข้าวนะี่เมื่อเสร็จทุรละก็คงจะกลับมารับพรอนโมธนาให้พอ